พอวาตอรงอาตัวคำบอกคำพุทธศาสาสตยสัพพะชะปัจจานาติกาจปาเจเวปสานาติเตกันบูตนห ในกุฏิในเจตนาที่ท่านทั้งหลายมีสัทธาในพระพุทธศาสนาว่าแมพระเวฏนี้พระพ่อมีพระพ่อเจ้าพระองค์นั้นเป็นราษฎรเอกในโลกตับเรื่งทุก เริ่มกิเลสได้โดยสิ้นเชิงสัตการชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์เพียบพร้อมไปด้วยวิชาและยารณ ะ, สะเสด็จไปดีแล้วท่องโรแช้งโลกเป็นพ่อผุกบุกกนที่ควรควบ ไม่เงยโผเอ็นที่จะยิ่งกว่าเป็นพระราชาดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทเมพระาคช่องบัญญัติธรรมอันประเสริฐแปดมือนเทปันพระธรรมกัน คอยทุกท่านนอมระลึกถึงคนอันประเสริฐโดยพุทธานุสติระลึกถึงคนของพระองค์ในเป็นุนเป็นโกศรเป็นเบื้องตนของโกศละธรรมที่จะทำให้ท่านดำเรินไปได้ดีควรพระธรรม คำสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแสดงไว้ดีแล้วเป็นใหญ่จะธรมทรมที่จะนำออกจากทุกข์กล่าวว่ลงให้ฉันได้แก่ชาวโกขาตธรรมคราะหทที่พระองค์ ส่องจัดไว้ดีแล้วผู้ใดประพกติปฏิตารสำหาขาก่อต่อทเป็นประจำผู้นั้นจะมีดวงตาเห็นธรรมผู้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้สงบปรากฏแล้วควรที่จะเลือกท่านทั้งหลาย พ่อจงมาดูเถิดพ่อเมดวงตาเป็นธรรมเป็นพ่อสงบเปากดแล้วเป็นพ่อไม่โลเลไม่แลวไหลเป็นพ่อประเสริฐเป็นพ่อเมปัญญาควรที่จะนอข้ามาทู่ตดอันเห็นโยชนพ่งโ้จะเพราะตน นี่คือสาวกตธรรมให้ท่านทั้งหลายจงน้อมใจถึงพระธรรมของพระสมาะธรมพุทธเจ้าพระองค์นั้นให้เกิดธรรมานุคติเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลเป็นเสร็แก่ท่านทั้งหลายส่วนพระสงสาวก ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัตรเกอปติบัติกปตตรปติบัติธ ร, รมเพื่อจะออกจากทุกปติบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเปนสาวกของพระพุทธเจ้าเสกโคตแปดอริยบุคคล ควรแก่การต้อนรับควรแก่การคำนับควรแก่การนำเครื่องสักการะมาบูชาควรแก่การกราบควรแก่การไหวควรแก่การถวายสักกาทารณ์ทว่าพระสงฆ์เป็นเนชนาบญ ของชาวบ้านของชาวเมืองของชาวโลกอันประเสริฐให้ทุกท่านน้อมระลึกถึงพระอริยสงฆ์ให้เกิดเป็นสังคานุสใติเป็นที่รวมของบุญรวมของกุศลรวมของมงคลรวมของสิริ รัชนาธทั้งสามประการนี้เป็นเทพุงทเทารดอันอุดมอันกระเชิมอันประเสริฐไม่มีเทพุงเอนินใดที่จะยิ่งกว่าให้ท่านนมชัดตาประสาทะลงในคนของพระรัชกาลใหญ แมอเราจะกระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเราจะลดทุกคนอันประเสริฐกิจกรรมที่ควรกระทำนั้นก็ดำเดินไปด้วยดีและสำเร็จเรียบร้อยสมความปรารถนาเพราะเริ่มต้นที่บนเทกวอนเทมองคนและ เป็นที่เพิ่งอันปราิดส่วนพระธรรมเรื่องเป็นในยเยตธรรมที่อาตมาได้นำมาเป็นหัวข้อในวันนี้ว่าสัพพะปัตตยาสัตะอันุคคนภูมิคนณ่งปาจจานา ก็ก็ก็จะต่อจากวิปัสนาวิปัสนาเหมาะสมแก่บุคคลทุกคนหรือแก่บุคคลทุกจำพวกเพราะฉะนั้นของต้นตั้งใจคำรวมระวังให้ได้เป็นพิเศษ เพราะการควังธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมเพราะในรลังพุทธกาลผู้ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลส่วนใหญ่เกิดจากการควังธรรมคำสอนของพระภุทธเพระภาคควังไปพิจารณาไปเนสติสำไปยัญญะ ในการฟังเรื่องเอื่นต้องให้หว่างให้หมดที่ให้ว่างคือพระสัทธามเทตนาที่ชื่อบอกว่าทางเลเป็นทางไปอันเอกไปได้เฉพาะผูด้เดียวไปในที่แห่งเดียวเพื่อความบริสุตหมดจด แห่งเวในยชัดทั้งหลายเพื่อก้าลวงซึ่งความเศร้าโศกความร้องไห้ความทุกข์กายความทุกข์ใจให้รับไปซึ่งทุกและทอมานัดท่านผู้ฟังทั้งหลายเรามีชาติความเกิดเป็นทุกข์ เวลาความแก่เป็นทุกข์แม้มรณะความตายข้อเป็นทุกข์เหตุใดเราจึงจะพ้นจากทุกข์ของความเกิดทุกข์ของความแก่ทุกข์ของความเจ็บทุกข์ของความตายทุกข์ของความเศร้าโศก ความร้องไห้ความทุกข์กายความทุกข์ใจให้ดับไปเหมือนพระอาทิตย์ลับกอบกลาเพราะเค่ใดที่เราไม่ปรารถนามาถูกต้องกับชีวิตของเราก็เป็นถทกเช่นที่รักจะพากจากเราไป ใจจากเป็นใจจากตายจากไปแล้วกลับมาหรือจากแล้วจากเลยความรักที่จากเราไปก็เป็นทุกข์เสี้ยงใดๆที่เราหวังเราเปรารถนาไม่สมกใจที่เราหวังไม่สมกใจที่เราปรารถนาก็เป็นทุกข์ อะไรเราเป็นเอตให้เราก็ทุกอยู่ทุก์เมื่อเชุกวันพระสรราทัานพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัสว่าสังคุ ต, ตร์เต น, ะปนั ป, ปัญจุตปาจานักขันธาทุกขากราบโวยรำกราบโดยโยคือ เป็นย่างนั้นเป็นความทุกข์เรายุดมันเติมันว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่คือเป็นเดชให้เกิดความทุกข์ ห้ความยุดถือความยุดติดความยุดมั่นความเตือนนั้นใี่เป็นที่รวมของทุกอะไรเล่าเป็นเนตเป็นปัจจัยเป็นรมมัมมุไยเป็นแรงเกิดให้เรามีทุกข์พระสมัยจามพทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสว่า เพราะนันท่ราคะคหว่านันที่ราคะเพราะเพลิดเพลินอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นนันอยากเป็นนีนี่คือเหตุที่ให้เกิดทุกถ้าจะกล่าวโดยรวมคือความมตนา ความคลายในกรารบุคคลทั้งหา้าประการพุทธวันาความไม่ได้ความ <c oughs> ไม่ปรารถนาพิตธวันาไม่อยากเหน่ไม่อยากเป็นทานทั้งหลายคองไฟทั้งสามประการนี้เป็นเหตให้ชีวิตของตุกคน ทุกคนในความทุกตั้งแต่ชาติความเกิดชะลาความแก่หรือจะยุดติดเมื่อเราตายไปในชาติหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีพระเมตตามีพระกรณาดังง่วงวานนบรดพุกขแต่สงสาร ไม่เบื่ตมานพระองค์ของชี้ทางให้เราท่านทั้งหลายพ้นจากทุกข์ท่านที่จะมาได้กล่าวมาเบื้องตน้นว่า <c oughs> ทุกทุกคนควรเมตตาติสาติเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นธรรมที่พระสมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นของออนุโมธนาเสีงใดที่พระสมาะจอมพุทธเจ้าของอานโมธนาถึงนั้นำใ้เยี่ยมที่สุดปรอดที่สุดเดชที่สุดที่พระองค์ของอานโมธนาเพราะฉะนั้นก่อยทุกสันตรองเมตติผู้เมตาติ ย่อมจะเรียนทุกเมือ่อพวกเีตติจะทำให้โลกนี้เป็นของวงังพระยามัจุราชมืดบอดหลงทางเพื่อสามารถที่จะให้พุคคนนั้นอยู่ในกามือของพระยามัตุราชพระพุทธองค์ทรงอันโบทนาแก่ภพิษุทั้งหลาย ่าทิสษตทั้งหลาย <c oughs> พวกเธอจองสำรวมระวังให้ดีการสำรวมระวังตาหูจหมูกเลนกายใจจะเป็นธรรมอันประเสริฐพระองค์ทรองอานโมทรรมาว่าจะโคจะสังวโรอสาทุ สาธุจกโคจาสังวโรการระวังตานั้นดีแล้วดีแล้วในการระวังตาถ้าระวังตาไม่ดีจะเกิดบาปอากุสนอาพิจชชาและโพ ม, มนัครอบงมได้จึงระวังรักษาตานั้นดีแล้วดีแล้วที่พวกเธอ ระวังรักษาตาตะจะสั้งวรารสาทุสาธุตาจะทั้งวารระวังหูนั่นดีแล้วดีแล้วที่พวกเธอระวังหูถ้าระวังไม่ดีจะเกิดบาปอากศลอภิ ช, ชาและโทมนัสครอบงำได้ การะวังรักษาหูดีแล้วดีแล้วที่พวกเธอระวังรักษาหูคณะจสั้งวโระารุาทารุคณะเจสังวโรรักษาจมูก ด, ดีแล้วดีแล้วที่พวกเธอระวังรักษาจมูก ถ้าระวังรักษาไม่ดีจะเกิดบาปอาโกษอนอาพิชาเละโทมนัดคอบงำได้รักษาจมูกตั้งดีแล้วดีแล้วที่พวกเธอระวังรักษาจมูกถ้าระวังรักษาไม่ดีจะเกิดบาปอาโกษอนคืออาพิชา และโทมานัดครอบงำได้เชียวว่าจะสังวโรสาธุสาธุเชีวาจะสังวโรเราหวังรักษาเลนนั่นดีแล้วดีแล้วที่พวกเธอเระวังรักษาเลนถ้าระวังรักษาไม่ดีจะเกิดบาปอากุชน คืออาภิชาและโทมานัดครอบงำได้ระวังรักษาเลนนั่นดีแล้วดีแล้วที่พวกเธอระวังรักษาเลนกายะจะสังวรโรราทุราทุกายะจะสังวรโรระวังรักษากายโราสํารวมกายนั่นดีแล้ว ดีแล้วที่ระวังรักษากายถ้ารักษาไม่ดีจะเกิดต่าอาโกชนเคออาภิชาและโทมานต์ครอบงําได้ระวังรักษากายนั่นดีแล้วดีแล้วในการร ะ, ระวังรักษากายมานายจะสั้งวโรชาตุ ตาทุกมาณะจะสั้งวาโระระวังรักษาใจนั่นดีแล้วดีแล้วที่ระวังรักษาใจถ้ารักษาใจไม่ดีจะเกิดบาปอาโกศลอาภิชาและโทมานัดคอบงามได้ระวังรักษาใจนั่นดีแล้วดี่แล้วที่ระวังรักษาใจ นี่คือสติเกิดจากการสำรวมระวัง <c oughs> สติจะสร้งวโรคคือสำรวมระวังไม้เกิดสติเพราะผู้มีสติจะทำจะพูดจะคิดยอมถูกต้องแล้วเป็นกุศลสติไม่เดยเกิดเดี่ยวโดยเฉพาะ เกิดพร้อมด้วยสัมปัญญะสัมปัญญะนี่คือรู้ทุกตัวทั่วพร้อมลักษณะเดิมของสติสัมปัจญญะให้ท่านจำให้มันสตินั้นคือสัพพะตะแปลว่าถูกต้องจะทำก็ถูกต้องจะโทษก็ถูกต้อง แม่จะคิดข้อถูกต้องสัมปัยัญญะลักษณะของสัมปัยัญญะหรือชื่อเดิมของสัมปัยัญญะคือสสสามะแปลว่าดีเสมอจะทำจะพูดแม่จะคิดข้อดีเสมอทำสองประการนี้ทำไม่เกิดขจาริดสามประการ ที่เรียกว่ากกชนกรมมบทสามประการที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทร้งวางหลักของพระพุทธศาสนาให้พุทธมิดชัเพื่อประพฤกษกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สุจริตกายกรรมที่สุดจริตไม่่าสัต์ คดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ดเว้นจากการลักทรัพย์ไม่ประพฤติในการมละเว้นขาดจากการประพฤติในกามนี่คือกายกรรมที่ชดจริตชวนว่ากีกรรมที่ชดจริตไม่กล่าวคำเทจไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวคำเส่เสียด ไม่กล่าวคำเพื่อเจอนี่คือว่าจิทุจริตทองประการควรมโนโทุจริตสามประการหนึ่งไม่โลภอยากได้ของใครใครสองไม่ยับาไม่พยายามบองรายผู้หนึ่งผู้ใดสามเห็นถูกตามตำหนองของท่าน ใี่คือโกฏนกรรมบทที่เกิดจากการขุจริตของกายคุจริตของวาจาและขุจริตของใจถ้าท่านรักษาความขุจริดี้ให้ต่อเนื่องนานๆนนเป็นประจำจนชำานาญจะทำให้เกิดบางอาคติ ฐานสี่มาสติปฐานสี่ที่ท่านจะควงหรือจะปฏิบัติกองห้อยกายหวจาและจิตใจกดทุดจริตนี่เป็นธรรมที่พระสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรองจดว่านื่คืคเทลนของพวกเธอ เนื้ออชาติของพวกเธอเนื้อเ <c> อ <oughs> อินทร์ของพวกเธอเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าครองอนมอตนาเพราะชาติที่เราสร้งรวมระวังไปตั้งลงในบางอาชาติปัตฐานเก ทั้งสืบประการถ้าเขาถามท่านทั้งหลายว่าจเจริญวิปัสสนาเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์คอยพวกท่านตอบด้วยความภาคภูมิใจความมั่นใจถ้าการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเอามาังาสติปัสคือ เป็นลักเป็นแกนมาสตตปฐานสี่เบื้องอย่างอ่บรบางมาสตตปัฐานสที่เป็นโอเทศคือหัวข้อของฉันเบเทหัวข้อเบื้ออย่างข้อที่หนึ่งให้พิจารณากาย ในกายเรงเรีอ ง, เรองอยู่มีความเพลนดความโลภ้ชาติกวมจัดความเย็นดรความเย็นรายในจิตใจให้พินาดไปนี่คือโอเทกของกายยาหัปัสานะติปัฏฐานย้ำอีกนิดหนึ่ง อาตาปีคือกามเพียนที่เผากิเลสให้เราร้อนสองขัมปชาโชโรจุตตทุตรามสามสาติมาตั้งสติให้มันวิในยะโลก อ, อาพิจาโทมนรณสังทำลาย ความเย็นดีความเยนรายในโลกให้ี่นาดไปโลกมันมีอยู่เพียงสองประการเยินดีก็เป็นโลกยินรายก็เป็นโลกเป็นธรรมที่ครอบงำทั้งโลกทุกทุกประเพททุกทุกชนิดคือเย็นดีและยินราย ให้ทําลายความยินดีความเยินรายเป็นการทําลายกระแสโลกให้พินาศไ้หมดขึ้นไปจะจะเห็นธรรมที่เป็นธรรมจะเห็นธรรมที่ถูกต้องตามธรรมถ้ายังยินดียินรายไม่สามารถที่จะเห็นธรรมถูกต้องตามธรรและที่เป็นธรรม พ่อที่สองพิจนาเห็นเวทนาเห็นเวทนาดวงเลีอ้งอยู่พรูะเป็นประจันเอสัมประชาโพรูะสักตัวทั่วพร้อมพะติมาต้องสาธิตให้มันวิเนยะโลกเออาพิจาโตมนักสัง ทำลายความยินดีความยินรายในโลกให้พินาดไปนี่คือเวทนานุปัจจานาสติปัจจานที่เราจะจั้งสติรองรลึกเวทนาในเวทนานั้น จิตตจิตตาลุปัถเฆเวา ร, ต า, ราติอาตาเปฉัมปัชจโนสะเิมาเวไนยะธมานักสังให้ทิจริจิตในจิตเป็นในความเพียรผูกิเลสให้หเราหลอน สันไิชาโนโรสตัวทั่วพรมคาติมาตั้งสติให้มันวิเนยโลกเออาพุชชาตทมนัสสังทำลายความยินดีความยินรายในโลกให้เพื่หน้าใจที่เคอจิตตาต่อ โนปัตกานาคาเตปัตการที่เราจะจ้างสาเตสำหรับจิตในจิตเป็นประจำคธทรมเมสธรรมาโนปัตสิเรองเราเตอหตตาเตสำไปจานุคะเตมาภในยะโลกะ อาพิจาโทมนัสสังพจนธรรมในธรรมมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสก ร, ร, ระร่อนมีสัมปชัญญโตก็คึกตตวทั่วพร้อมเมตตาเตมาตัา้งคติให้มันเวไนยโลกเก อาพิชาโตมนั์สั่งถอนความยินดีความยินรายออกจากจิตใจให้หมดทั้งสื่อตาเลยเป็นอดทศคคอหัวข้อของธรรมที่ทุกท่านควรที่จะจำควรที่จะรินสติลงในฐานแต่ละฐาน ให้นึ่งให้นานถือต่อการจเจริญปัฒนาไม่มีคำบอดิกรรมเรียกว่าภาวนาภาวนานั่นคืออะไรภาวนามีอย่ทประการให้ท่านจำให้มันเรั่งนทางชักเนติสย่างความพอใจให้บังเกิด เมื่อท่านจจเจริญวิปัสสนาท่านต้องท่้งฉันทะภาวนาลองในฐานทั้งเศฐานใดฐานหนึ่งเป็นประจำไม่ให้จิตออกนอกฐานสองวายามติพยายามไม่ต่อเนื่องให้เป็นประจำด้วยความพยายาม ความมานะความอุดสางะความกำมนั ก, กำเนบนความไม่โทษทิ้งสันทะความไม่โทษ <c oughs> ทิ้งบาปะเพียในเห็นในกายในเวทนาในจิตในธรรมเป็นประจำของวิริยธรมวิริยังอรพติ พยายามปรารบความเพียนว่าเราควรที่จะเรียนติในเกียบติใดให้มากให้มีสติมีสมามะและมีปัญญาแหง่งธรรมเพราะที่ที่จิตตังปคันติปัฏทางติ ประคองจิตตั้งไวให้จงจงกับฐานที่เราเจะเดินสติพิจารณาถ้าเกิดสุขก็ประคองจิตให้จงสุขถ้าเกิดทุกข์ก็ประคองจิตให้จงทุ ก, ก, ทก ข, ขก์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็ประคองจิตให้จงควาไม่สุขไม่ทุกข์ จงเกิดอนุปัฏฐิคือเกิดวิปั จ, จนาถ้าเกิดวิปั จ, จนาเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นทุกข์ว่าเป็นเครื่องเสียบแทนเห็นเอาทุกข์ความทุกขว่าเป็นเครื่องเปลี่ยนแปลงถ้าเห็นอยู่อย่างนี้จัดเข้าในลักษณะสามประการ เื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมันไม่ควรถือมันควรจะปล่อยควรจะวางควรยังไม่ยุดติและไม่ผัวพันนี่การจะรอดวิปัสสนาเพราะต้องการที่จะละอบ ป, ปาทานถ้ายังมีอบ ป, ปาทาน อยู่ในบรรยากาัศวิปัสสนาก็ไม่เกิดถึงแม้จะเกิดเราก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงข้อปฏิบัติที่ท่านควรไม้เกิดวิปัสสนาญาณพระพุทธเจ้าแสดงในอานา ป, าปัปปะในบางอาสติปัชฐานโตด ไม่อยู่ที่ขั้นจะไม่ได้แต่พระพุทธองค์คนที่จะจัดเรงพระองค์จเจริญอาณาปานาสติเปียงอย่างเดียวได้สำเร็จเป็นเพราะสมบาสัมพุทัยยาวเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามพระองค์ทรงเจริญ อาณาปานาสติคิบหกขั้นแต่งให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติเพียงขัคนต่อไปนี้ท่านพ่งจดจาและพ่งกระทรําพ่งปฏิบัติได้ดีให้เกิดอนุปัสสิคือเกิดวิปัสสนาผู้จะยจระวิปัสสนาสถานที่ก็สำคัญ สถานที่นั้นจะเป็นสถานที่สงบครื่อ<ม>วิเวกเพราะความสงบความวิเวกจะทำให้เกิดทําได้สะดวกได้สบายมีอย่าสถานที่1่งโคนไม้ย้องป่าไมา้สามเดือนวงังเมื่อได้สถานที่แล้ว ให้เจริญอาณาปานราติการเจริญอาณาปานราติต้องปฏิบัติให้ถูกต้องที่พระองค์ตรัดว่านิเทธะปัลลังกังอาพุชตะวาคือว่านิเทธะปัลลังกังคือนั่งคัตมาตรคเข่าทั้งสองข้าง เท่าขวาวางบนเท้าซ้ายมือรซ้ายวางบนเท้าขวามือขวาวางบนเท้าซ้ายแล้วก็ตั้งอาถรรพ์สถานจิตจะอุชงกายอย่งปณิธายะคือตั้งปณิธานหรืออาถรรพสถานจิตเพราะเราจะนั่งให้ตรงที่สุดกายให้ตรงคอให้ตรงท่าไม่ตรง เราไม่สามารถจ ะ, จะรักษาจิตให้มาตรงกายให้ตรงได้ผลต้องตั้งกายให้ตรงหาทิฏฐิานป่าเร้นมุขขังคาเตงอุปัตตะเปตตะวะตังต้งตจไวเฉพาะปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีทุกๆเรื่องเรื่องที่ไม่อยู่ในปัจจุบันนี้ โคตรลมหาใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้แ้วให้ตืน่นให้สดชื่นให้เบิกบานไม่ต้องทองไม่ต้องนับไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องบริกรรมพระพุทธเจ้าจัแก่ทิกขุทั้งหลาย ว่าะภิกษุทั้งหลายอาณาปานารเตือลมหายใจเป็นธรรมเครื่องสงบวางอับจากสังขารทั้งปวงพวกเธอทำจิตให้ว่างจากทุกทุกอย่างที่ไม่ว่างคืนลมหายใจพระพุทธองค์กล่ว่า เทกองวัปชาชนโตเทของปัจจารามติตชานิติเมื่องหายใจเข้ายาวให้รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวระลึกให้ถูกต้องตามลักษณะของการหายใจเขา้าเวลาเราหายใจเข้า ลมหายใจเคลื่อนไหวไปตามลำดับตั้งแต่ต้นลมกลางลมพอทุดลมควรพักลมควรพักเจ็ดนิดหนึ่งเทขังวาปัจจางโตเทขังปัจจาเมตต์ปัจานาติเมื่อหายใจออกยาว ให้รู้ชัดว่างายใจอกยาวให้จติตระลึกการเคลื่อนไหวของลมตั้งแต่ปลายลมกลางลมจนสุดลมพอหายใจออกสุดไม่ต้องพักเรียหายใจเขา้าให้โู้ให้เตือนเรื่องเอื่อให้ว่างให้หมด <c oughs> ถ้าจิตของท่านไม่คิดเรื่องใดๆ สักสิบนาเทีก็จะเกิดสมาธิจะเกิดของพระจะเกิดปัญญาเกิดอนุปัสฐิเคืองวิปัสนาจะเห็นเป็นจะขันตางความเป็นจริงแต่ก่อนที่จะเกิดสมาธิลมหายใจเริ่มสั้นเข้าสั้นเข้าหายใจเข้าหายใจออกไม่อิ่ม ไม่ทั่วทองปึดอัดหายใจกัดกัดเหมือนคลายคนจะเป็นลมทานยาววันไหวอย่าตกใจอย่าหวัดกลัวเป็นอย่างไรให้เป็นกันเพราะถ้าเราวันไหวเราอาจจะคลายจากการปฏิบัติเพราะเราหมายใจคั้นจิตจะเข้าจะมาเท เหมือนเราปลูปลูกปองพอลมใกลจะเต็มปอไม่ค่อยจะเข้าคัดคัดชั้นชั้นเพราะจะเต็มสมาที่ในจิตเก็บลมเอาไว้ในจิตเต่มภายในจิตไม่ต้องการลมภายนอกลมที่จิตเก็บไว้จะไหลเหวียนไปสู่ร่างกายทุกทุ ก, ทกส่วน จะสงบนิ่งอยู่ภายในจิตจะเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปปาฏฐะสมาธิหรือจะเป็นอัปปนาสมาธิความหมายใจจะยุดอยู่ภายในจนกว่าจะเข้าตั้งแต่ฌานที่สองที่สามที่สชื่อว่าจะตดฌ า, านความหมายใจเนี่ย จะทำให้จิตนึ่งให้จิตสงบให้จิตเป็นกลางไม่มีอาคาติภายในจิตถ้าออกจากสมาธิจิตจะยกจิตขึ้นรู้มีปัจนายญาเพราะฉะนั้นนี่เป็นขั้นที่สองขั้นที่สามพระองค์งรัวรว ยับพะกายปฏิสังเวทิอัจฉติฉาเมตสังขติทยยมเมตสิหายใจเขา้าเพื่อโลกายทั้งปวงโลกายทั้งหมดกายทั้งปวงกายทั้งหมดท่านทั้งหลายยังไม่ทราบว่าเมก่ส่วน ่ถ้าเราจะดนอนาปานาติตุลาติจะระลึกไปทุกทุกส่วนเรียกว่าอนุโลมมายานถ้ายังไม่ชัดจะทวนกลับที่พระองค์ตรัสว่าสัพพกายาปฏิสังเวเิอัจฉริชนิตเสกกะติเมื่อหายใจ <c oughs> รูพร้อมกายทั้งปวงหายใจออกเป็นพระติโลมยานจะระลึกทั้งอาการครงสร้างของมนุษย์เสียงสายในถูกต้องในอาการ4 2ประการจะรู้ได้ชัดทั้งสะอาดและไม่สะอาดทั้งความเกิด ความเ่อมทั้งเกิดทั้งแยมสีสิบสองประการนี่ชัดเจนเพราะถ้าเจริญวิปัสสนาถ้ายังไม่เห็นกายในกายอาการส2สิบสองประการจะละอุ ป, ปทานความยึดมัน่นเทอมั่นในกายไม่ได้แล้วก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้เพราะพระโสดาบัน ต้องละรักกายะทิฏฐิความยึดมัน่นเธอมั่นร่างกายทั้งที่สิบสองประการเห็นความเกิดความดับในอาการที่สิบสองประการได้ชัดเจนเจึงถึงขั้นที่สี่ สัมพยังกายสังขารอัจฉริยะเมตุสุขคติเธอยอ่อมศึกษาเพื่อเธอย่อมมีสติละกายทั้งปวงหายใจเข้าเพื่อเธอย่อมมีสติละกายทั้งปวงหายใจออก ถามว่าเกิดวิปัสสนาหรื อ, อยังยังยังไม่เกิดวิปัสสนาเพราะอนาปตาติเมื่อจะเกิดวิปัสสนาจะแบ่งกายในออกเป็นสามส่วนด้วยส่วนสามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเิตัดตังวา กายเยกายยาโนปเวิาาา น, เ น, นารติทิจนาเห็นกายในกายเป็นภายในบางในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองพังอิตทาวากายเยกายาโนปเทวินารติทิจนาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้าง ไม่ใช่นอกกายแต่เป็นกายนอกในส่วนที่สองส่วนที่สามอัจชัดตพังกิตธาวากายเยกายยาโปภะเชิงอาราติพิจนายเห็นกายในกายท้งภายในท้งภายนอกพร้อมกันชะติสัพชัญญะคมชัด จะทำไม้เกิดอนุปัฏฐิเห็นสมุทัยของกายหรือเว็นเหตของกายคนทั่วโลกรู้แต่ผลของกายไม่ได้รู้เหตุของกายจึงดับทุกข์ของกายนี้ไม่ได้การรู้เหตุของกายเกิดอนุปัฏฐิพระพุทธเจ้าจัดว่าสมุทัย วัฏธรรมนาโนปเสวากายัดชมัมเวิาลาไรติพิจารณาเห็นกายในกายเป็นธรรมบดีคือเป็นธรรมชาติคือความเกิดขึ้นในกายบางนีน่คือเงตของกายขันที่สองวัะธรรมา โลปัตเธวะกายัตสัม en ิวิงารติปุจนาให้เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาคือความสามในกายบ้างส่วนที่สามสัมมุทะยะวายะธรมมาโลปัตเธวะกายัตสัมิวิงารติ พิจารณาให้เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาความเกิดความเื่อมหรือทั้งเกิดทั้งเื่อมในกายบ้างอัธิกายโยติวางว่าปะนัสสะสติปัจจุปัปถิตาโหติหรือสติ ว่ากายมีอยู่ไม่ใช่กายคือตัวตนกายแต่สั ก, กว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่กายเราไม่ใช่กายผู้อื่นด้ววิปัสสนาจึงเกิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ายาวะเทวะยาณามิ ต, ตายะ มียานแต่สักวารู้เมื่อก่อนจะเกิดวิปัสสนาว่าเราได้เจริญสัมปัชัญญะพอสัมปัชัญญะแก่กล้าไม่มีตัวเราตัวสัมปัชัญญะเกิดเป็นยานต่อติดสติมัตตายาเมตสติแต่สักว่าอาัยระลึกเมื่อก่อนจะเกิดวิปัสสนา ว่าเราจะหลอนสติเมื่อสติเป็นบริบุรสติกลายเป็นกิริยาแต่จะว่าอาัยระลึกอนิจจโ ต, ตจะวิหัรติเธอจะไม่เข้าไปยุดเธอเธอจะไม่เข้าไปยุดติดนจะกินจุโเก อ, อุปาทิยติพวกเธอ จะไม่อิจฉเคิงใดใดทั้งปวงในโลกเอวังโ้อพิกเกวกายเยก า, ายาโูปเทเวการาติดังนี้แหละพิขุเชื่อว่าเห็นกายในกายทางนี้เป็นทางตปอันเอบ ไปได้เพาะผู้เดียวไปในที่แห่งเดียวเพื่อความหมดจดหมดจัดแห่งเวนัยแลัดตั้งหลายเพื่อก้าลวงความเข้าโศกความรองไห้ความรำไรให้ดับไปซส่อทุกข์และถนมานัดทำเรานลย ธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมที่จะนำออกจากทุกนั่นคือรางาติปัจจานทรี่ตามที่อามาภาพได้แสดงมาย่อยๆพอสมควรแก่การที่ท่านทั้งหลายจะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดอนุ ป, ปัสฐิให้เกิดวิปัจจนาให้เห็นเป็น อนิจังทุกขอังอนตัตตาเนี่เป็นทางดําเดินของพระอาเรียเจ้าทั้งหลายขอเราท่านทั้งหลายเดินตามรอยของพระอาเรียเจ้าให้ถึงซึ่งความหมดทุกไม่มีชาติความเกิดไม่มีชาลาความแก่ไม่มีวรรณะความตายเอกต่อไป การที่แสดงมาขอ้อคำควรแก่เวลาขอหยุดติตหยุดใจพระธรรมเจ้าท่านลงของวายแต่เพียงดีเอหวังก็มีด้วยประกอบและเจเน เลิกข้านานนี้ขอบุญนาไดโกุลเจตนาที่ท่านทั้งหลายตั้งใจความธรรมะโดยดีและถวายสังฆทานเป็นทานที่เพราะสะบา่าสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงสรรเสริญ ว่าเป็นทานที่เดผลมากเดอานิสงมากเดวิบบอกอันประเสริฐประกอบไปด้วยเจตนาของทุกท่านบาริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งสามการก่อนที่จะถวายได้จัดเตรียมเครื่องไทรยทาน และชำระจุดใจให้เป็นบนุญเป็นกนุศลปราศจากความเจนีปราศจากความโลภเย็นดีในการ น, นมถวายจัดได้ว่าเป็นปุพเาเจตนาที่พองใสบริสุทธิ์เป็นที่รวมของบุญ ของโกทวนไม่มีประมาณประการที่สองท่านได้กล่าวคำถวายและน้อมถวายด้วยมือของท่านเองเคารพทานที่ถวายเข้ารพเด็พระสองทู้รับท่านได้กเกิดตื่ติความอิ่มใจประโมทความเปลีใจ บนกุศลที่เป็นนามธรรมาย่อมพะนอาพนอรอแยงจิตใจของทุกท่านให้สงบเย็นเป็นสุขทั้งอย่างเป็นอนุคามินีที่จะติดตามทุกท่านไปทุกคนทุกแห่งทุกพบทุกชาติเพื่อให้เกิดความสะดวก เกิดความสบายเกิดประโยชน์และความสุขทุกการทุกสมัยจัดได้ว่าเป็นมลเจนะเจตนาม่ที่ผ่องใสบริสุทธเป็นที่รวมของบนของกุศลไม่มีประมาณประการที่สาม ท่านได้ถวายแล้วจิตใจผ่องแผ้วองอาจกล้งาง่านญราเริงเยินดีในทานบา ร, รมีที่กระทาไปดีแล้วในพระพุทธศาสนาเพื่ออปปัตธรรมค้ำจนพระมวรพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาาวรสืบสืบไปทั้งยังได้เป็นปัจจัยอบิ ป, ปการะแล่พระภิกษุสงโพผู้ประพฤติปฏิบัติชอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทองสัตว์ว่าห่วงน้ำที่เต็ม ยอมยังมังอาส ม, มุรสาครให้เต็มเปลี่ยมใครฉันใดผู้บรดีจากทานประกอบไปด้วยเจตนาแห่งใจทั้งสามการยอมเต็มเปลี่ยมไปด้วยบุญด้วยกุศลที่ฉันนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงปรารถนา จงดำริขอความปรารถนาความดำริของทุกท่านจงเต็มรอบจองเต็มบริบรณ์จงเต็มเปี่ยมไพูโบนประดุ ด, ดังดวงจันทร์ที่เต็มดวงในวันเพ็ญของให้กายวาจาและจิตใจของทุกท่าน จองพองใสมีความสุขสงบเย็นลดแก้วมานีโคตรประงัตของพระเจ้าจักรพรรดิที่เกิดได้บะยญาธิการทานบา ร, รมีในวันนี้ขอความปรารถนาความบาริของทุกท่านจ่องสำเร็จจองสำเร็ จ, จ และจงพรันธรรมเ็ตทุกประการโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านจงยกส่วนบนสรวนกุศลให้แก่คนพ่อคนแม่คนปู่คนย่าคนตาคนยายท่านทั้งหลายพ่อไม่อุ ป, ปาการละคน และควรที่จะถวายเป็นพระราชาการลพระราชากุศลแด่พระบา ท, ทําเด็จเจ้าโยงหัวพระปารามินทร์าาพระมงาภพมิพนอดุลยเดช ท, ที่สวรรค์คตไปแล้วให้ได้ส่วนบุญถวนกุศลของท่านทั้งหลายและให้ดวงวิญญาณ ของพระองค์จงส่องสถิตประดิษฐานอย่างวิมานตามที่พระองค์จงปรารถนาตลอดจงสำเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระลูกยาเธอพระบรมวงศ์สานวงณพุทพพระองค์ จนตลอดบุราพาพระมหากษัตริย์แห่งจกกงักรีวงศ์ทุกพระองค์และพระสยามเจวาที่ราชทีุ่้มกรองปกป้องประเทศชาติให้เป็นเอกราชษและมีความทุกขสวัสดีจนถึงปัจจุบันนี้โอกาสนี้ขอทุกท่าน โปรดจ้างกัลยาณนจิตเพื่ออุทิศกัลปาภรณ์โอถนที่ควังทมและถวายสังฆท า, านไปให้กับมพกพระอริอชนปียยชนเปตยตชนจนตลอดทั้งสัพพสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นท่านเหล่าใดวิญญาณดวงใดสััว์ประทภทใดจนตลอดถึงเปลดดเสัยนนนที่ยังไม่ทราบขออาราธนาท่านผู้ตรงสิ้สมาธิและปัญญาที่เป็นพระอริยเจ้าจงนำข่าวกุะน นที่ท่านทั้งหลายบำเพ็ญในวันนี้ไปบอกกล่าวเมื่อทราบแล้วจงอันโมทนาด้วยตนเองถืออบนโคสลนที่ทุกคนทุกท่านยกให์ถาหวายหรืออุทิศหนครั้งนี้เป็นรุกกาติ ทุกธรรมบัติแห่งตนแห่งตนส่วนอัตมภาพจจได้จเจริญพักตานุโมธนาใหม่ขอทุกการจ่องตั้งใจรับพรครวดนามแผ่เมตตาโอทิตส่ว น, นส่วนกุศลให้ทั่วถึงกันณโอกาสนี้ อยากทำวัว่างอปอรเปลราแต่รื่องที่สำคังเห้วันเวรวตนโทนังเพตาน้องอุปการปติเหตุต้องปด เทตังตุมมังเทปเมวะจามิติโตจเปปุเรตุรังกปะจันโตปนารทรอยาวานิโตเทระโทยตาพเปตโย เหว่านังโตทัพโรโก็เหนนั่ักโกมาเตพาวัดวันตรอนโย ทุกข์ที่กันโกพวาอาภีวะทันติเลจจ์เลจังุตต์ไปจายโนจัตตาโรัรรมะวาจันตอายวนโนทุกขังพลังอกเข่งอดตั้งมุกขัญญา ช้างเวทเดชันดาธมคังราชมคังมนุษย์สร้างนาถังสกัโรูมคังนาคตสร้ังมุกังเชิโทอาทิตยจจาฺตาตังมุกังปัญญามากังขามานาัง สังโฆเวยาจต้องมคขังปาเนตตามายังกาตากาลตานัปปเทติกาเอตตาโทนันโทสักตา ทายาคับยาคับอามิโนพาวาตุรับพมังกาลังรักกันตุรับพระเทวตาทัพปะพุทธาบูภาเวน่าชาตาโตเตปวันโตเตพาวาตุรับพมังกาลังรักกันตุรับ พะเถรวาดาจัปปะธรรมะดูปาเวนะชาตาโจตตภวันตเตภวะตุสับภวังกาลังรักันตุสับพะเถรวาดาจัปปะสังกาดูปาเวนะชาตารดเต พาวันโตเต